ก็อันนี้มันก็มีผิดแบบทั้งเผลออะไรอย่างที่ว่าแายท่านนั่งคือท่างหาอะไรผิดเขียนไปนายดีก็ผิดผู้ชีพเขียนไปว่าอายุยี่สิบเก้าวันที่ตอนนั้นออกบวชแต่ทะลุดีจริงอายุสามสิบห้าใช่ไหมอะไอย่างนี้ก็ผิดหรื อ, อในกลุมประกาศชีวประพฤติก้าเนคนแรกนี่ก็พูดแบบภาษาพูดเคยแต่เอาจริงๆแล้วจะเป็นคนที่สี่นะ เป็นไลน์ที่สามเป็นเลวเป็นกลุ่มที่สามแต่เป็นคนที่สี่คนแรกสุดพลังที่มาถามในกรมบัคณฑิตวิทยาตอนที่ทรงเสวยมุทิสุขคนต่อมาคือสองพี่น้องปุดตะไอ้ที่เอาเอายางมาถวายตอนนั้นก็ยังยังไม่เรยวยังไม่ได้ออกเผยแรกแต่ตอนออกเผยแพร่เนี่ยพบกุมการกิวโกคนแรกตอนออกเผยแพรกลุกออกจากที่เสวยมุทิสุขแหลว อย่างนี้บางทีก็เปลือยพูดๆนี้ก็เมียแบบบ่อยๆป่ะเราเป็นผู้มีสติไม่บริบูรณ์พูดๆแล้วก็เปลอยตายอยงนี้เปลือไปมันก็ตูแบบไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ตั้งใจไม่ใช่เข้าใจสิเข้าใจถูกแต่ไม่ได้ตั้งใจบางคนยังพูดทำมากผิดอยู่นั่นแหละผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อพูดผิดแบบติดปากผิดใช่จะมาทัาติดปากท่างๆที่จริงๆแล้วทรากันไปข้างในก็รู้น่ะ แต่พูดทีไรเขาเผลอผิดกั่นั่นแหละไปนันะ้นคือแค่คพูดจนกระทั่งมันฝังรินงร้นฝังริมพูดจนจนผิดติดปากเลยเราได้ยินทุกทีพอเปิดมาหาผิดอีกแล้วเอ๊ะทำไมนายแก่ดิเ่อกีะติ๊กติ๊กบอกแล้ก็พูดไปพูดมาเผลอผิดตรงนั้นอีกลีก็ไม่ตั้งใจทั้งๆที่รู้นะรู้แต่ว่ามันก็อัดเผลอไปได้เรองนี้ก็เราก็ต้องพยายามเข้าใจใ น, นใจในกันค แต่ที่เข้าใจอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันมีแน่แล้วเราก็ต้องไม่ว่าเราเองแล้วก็มีเพราะฉะนั้นต้องขอตมาลาโทษกระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆจะไม่ได้มีก็ไม่ได้จะไม่มีต้องรอเป็นเป็นปรารยาบุคนกันไวก่อนตอนี้มาดูเรื่องทุกรากิริยาบํำเพ็ทุกราชกิริย า, าก็อยากจะสรุปว่าการที่พระเจา้าทรงบําเพ็ทุกรากิริยานเพราะอะไรอีก ก็ อ, อะไรกรมอีกเลยครับพระพุทธเจ้าองค์อื่นสบายแต่องค์นี้ไปกล่าวตัวพระพุทธเจ้าไว้จึงต้องมาลําบากลําบนอย่างนี้แล้วกล่าวตัวตอนนั้นก็แหมยังไม่ได้รู้อะไรไม่ได้มีจิตที่จะแบบว่ารู้เขาเป็นยังไงแล้วไปเหยียดหยามไม่ทีหลังก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะ่ะกล่าวตัวแบบนึก ว, ว่าคนอื่นเขาก็ยังงั้นอย่างงั้นแหละแล้วคนที่เพื่อนจะชวนไปหานี่ยก็คงจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นแหละบ้างเหมือนกัน ก็เลยกล่าวดูถูกตัดหน้าไว้เลยจรงเป็นเวรเป็นกรรมจงต้องมาบำเพ็ญเพียรอย่างนี้ น, นะเกิดรู้ตัวจนะสมณะโลนผมจำคำพูดทั้งหมดไม่ได้นะ ต, ต้องไปดูนารสูตรที่เราเคยพูดกันมาข<ม>้าไม่ใชกิการะสูตว่าประโยชน์อะไรจะ จากการได้จะได้จากการไปหาสรรมณะโลนเนี่ยกำนองเนี้ยเพราะวาว่าสรรมณะโลน ร, รมณะโลนเนี่ยเป็นคําที่ค่อนข้างจะรุนแรงในในเจตนาของสามนะเป็นคำกล่าวด้วยความรู้สึกดูถูกเหยียดหยาดสรรมณะโลนเนี่ยเขถือว่าคนโนผมเนี่ยเป็นคนผู้วยไงกลายปลเป็นภัยเป็นเสียดเป็นเสียด ก็เลยพูดไปคงจะมีต้องมีเกตานาอย่างนี้อยู่ไม่น้อยแหละ <c oughs> ตรงนี้เราก็คงจะพอผ่านไปได้แลเรื่องพอแต่ว่ายังมีเรื่องที่ต้องที่แกว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์กลับมาสู่ความเห็นว่าคลิกหน้าต่อไปนะครับหน้าสองโลกเตียงโลกไม่เตียงโล ก, ม, โลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดกีดอันนั้นสลีลาอันนั้นกีหอือนรลีล่าอื่ น, ต, นตัดเบื้องหน้าแต่ มรณะย่อมเกิดอีกตัดเบื้องหน้าแต่มรณะไม่เกิดอีกตัดเบือเอเอเบ้องหน้าแต่มรณะเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีตัดเบื้องหน้าแต่มรณะเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่อตรงนี้ก็มีความหมายที่ในปุขละคาถาเราค่อนข้างจะพูดกันซ้าบ่อยนะครับใครที่ไปได้มาแต่ต้นก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ตรงนี้ผมก็จะขอนเน้นอธิบายตรงรูปแบบเพราะว่าเนื้อความ ข้างในนั้นอาจจะลอมไปศึกษากันได้ดีหรือเปล่าทำไมถึงกล่าวอย่างนี้เอาเย็งนี้ดีกว่าผมถามว่าพระพผู้เจ้าของเราตอนเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายนี่นะตั้งแต่ตรงถือประศิษฐการที่มาโดยลําดับเนี่ยมาถึงตัสรู้นี่ต้องมีความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในผิดอย่างนี้หรือไม่ มีไหมล่เไม่มีครับแม่ละ่ะอย่างเช่นโลกเพียงเป็นจาจเป็นพวกสรกธารตาพิสิทตัดตายแล้วเกิดจกเก็นพวกสกธาตาิสิตัดตายแล้วถเป็นอเอเจได้ที่พระโพธิสัตว์จะเป็นไปได้าไามหรือพระโพธิสัตว์จะเป็นพวกอมระวิเศษิกาได้ไหมพวกอะไรพวกวาทะพวกกัล่อนพูดมาอยู่กับล่องกร่อย คนที่มีสํานึกดีๆเนี่ยเป็นไปได้ไหยและด้วยอานาจญานนบารมีที่ทรงส้ามจะเป็นไปได้มไหมคนที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความรู้สึกที่เป็นพลีแรงแรงแฝงอยู่ข้างในเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนได้ฌานอาจจะเป็นสัตตตาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ฌานท่านคนได้ฌานทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นสัตตตาใช่ไหมคนไม่ได้ฌานอาจจะเป็นอุเทนพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ฌานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอุเทนะ หรือจะไปเที่ยวดูถูกว่าธรรมนัตที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบจะมีอยู่ในโลกไหมไปเห็นในทางลบเมื่อก่อนนี้ยิ่งพระพุธเจ้ า, ายย่งไม่มีเลยลถ้าลองคิดดูว่าตอนที่ไปเห็นคนเฒ่าคนแก่เห็นธรรมนัตินี่ยมันยากเล้าใจท่านขนาดไหนความรู้สึกในทางดีของ ท, ท่านทาน่านต้องมีไม่งั้นท่านไม่ไม่คิดหรอกเรื่องที่ไม่น่าที่ท่านยังกาคิดนะเออคนตายทางที่จะทําให้คนไม่ตายต้องมีอยู่แต่นะ หรือสมณะนี่แหละเป็นเป็นหนทางหรือเป็นวิถีทางที่เราจะพึงเลือกเป็นไปเพื่อที่จ ะ, สะแสวงหาความไม่ตายอยีกนั้นใคลายๆว่าเป็นบารมีเป็นอะไรตั้งข์พรอยู่ในใจของท่านท่านจึงไม่ไปฝังหัวอยู่กับพวกอีทางปัจจาที่เวสะกายัากขันธะในพวกจิตสีแบบตายตายตัวนะทับกุฏิศะไม่ไปสังกัด ก็พวกนี้ท้าเราเป็นพวกมีปัญ น, นาการคนต้งน้งบารมีนี่ไม่ไปผูกคือผมเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องนับตั้งแต่เป็นเมียตะนะแต่เขาแน่ๆเลยคือในข่านี้ชัดเจนเลยนะครับแล้วนี่จะพูดอะไรเลยฉนะนไปเรดูเลย ตอนที่ท่านไปบำเพ็ญทุกฤริยาตรงนั้นนะท่านเป็นนิชาทิศไปหรเปล่าไปบำเพ็ญด้วยนิชาทิศไหมไม่ได้บำเพ็ญด้วยนิชาทิติทดลองครับเพราะฉะนั้นจิงต่างกับพวกนิโครทั่วไปนิโครทั่วไปไงบำเพ็ญด้วยความจำเนึกแบบสำคัญว่าเป็นทางแห่งความหลุดพ้นฮะไม่ ไ, ไม่คนะนี้ไม่เปลี่ยน่า หรือรักษาศีลปุจา้าระวัรักษาศีลได้แต่คนที่รักษาศีลแบบที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะไม่ทําอย่างนั้นก็คือสาคัญว่าศีลเป็นทางความบริสุทธิ์แน่สําคัญอย่างนั้นปรักใ้ายอย่างนั้นแต่พระโพธิสัตว์แบบทดลองผู้รู้ทดลองนดะ้ก็เหมือนอย่างเราเราอาจจะได้เข้าสานักตรงอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นฝังหัวก็เรื่องสำนักตรงใช่ไหมแต่เราเป็นศึกษาไปหาเหตุผลแล้วเราก็ศึกษาแล้วก็ เกิดสติปัญญาที่จะเอามาพิจารณาอะไรได้ไรนะใหญ่ฮะกาก็เรียกเป็นบารมีที่ท่านสร้างมาโดยเฉพาอธิษฐานบารมีปัญญาบารมีกัน <S <S นะทาไมอันนั้นกรรมครับอันนั้นกรรมอันนั้นกรรมใช่ๆว่าแม้น่าจะลองหน่อยแต่นางประดจลารแต่นางปะัะดจลาก็ไม่ได้ลอง ขาดขาใช่ใช่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้นขึ้นพูดอย่างนี้ได้เราไม่ไม่พูดเป็นองค์ทำแบบการไม่ทำก็ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นกุศลน่ะด้วยอำนาจกุศลเจตนาเป็นปกตูปบนิสยาปัิจัยให้จึงทำให้ไปทดลองด้วยการปฏิบัติ ต่างๆมีทุกขกิริยาเป็นต้นทีนี้ที่เราพูดถึงเรื่องนี้เราวกมาเรื่องทิฏฐิสิษยานับรอดอะไรจุดสำคัญที่จะต้องรู้และกาหนดไว้ก็ตรงนี้ครับว่าเราต้องการจะบอกว่าการที่พระโพธิสัตว์ไปประพฤติทุกขกิริยานั้นเพราะอะไร เ, เราเราต้องขียแยก การยนเกิดว่าอะไรหนึ่งกพ อ, อยากเป็นกุชชะหรือสองเพราอ่าิศือเพราะควา ม, วาา ม, ม, นนมิเป็นตัวกางหรือแล้วก็สามเพราะบุพการของท่านหรือคำตอที่ถูกก็คือเป็นคพรอะมุพการ ถามว่เป็นยังไงมาเป็นผิดไหมคนเราพื้นผิดเนี่ยมันเป็นผิดไม่เป็นจิงอยู่ในใจเราด้วยะไม่ใช่เลยต้องเป็นผู้ใช้ผิดเป็นการทดลองก็ได้เป็นเรื่องของปัญญาคือเป็นกระบวนการของปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเพราะความเิดแล้วก็เป็นเความอยากเป็นผู้ได้เจ้าไหมตรงนี้ก็ไม่ใช่เอกไล ก็มีส่วนแต่ีว่ า, าก็ดูเหมือนว่าในในพุทธวงศ์จะมีงมง อ, อ, องค์น์ที่บางทีุกริหาเรื่องนักกรรมเป็นใหญ่ค่ะไม่ใช่เพราะความเอนติดแต่เพราะความเอนติดจะแสดงว่า ธรรมดาพรโพธิสัตว์นี่ไม่เคยมีความเป็นผิตมาแล้วก็น่าจะไกลความเป็นสิตพวนี้มาช้านานแล้วแล้วอยู่ๆจะมาทำเพราะความเป็นสิตเวียนกลับไปอีกยังงานเหลืองก็ไม่ใช่ประวัดียังบอกไม่ใช่ ข้อที่สิบเ็ดข้อที่ิชนั้นก็เป็นเพียงถามถึงที่อ้านแล้วมาถึงอุทิศาสดาอื่นครับูุ้ทิศาสดาอื่นความเพียงอื่นเจะทำความไข่ในความเป็นใหญ่หรื อ, อตรงนี้ก็ถามเหตุผลว่าการที่พระพุทธเจ้าอุทิศตนเป็นลูกศิษย์คนอื่ น, นรล้อะไรตรงนี้เป็นร่า อย่างเช่นชาติเป็นโตติปลาลามานุนักสือพระม่างอะอันนี้อาจารย์ท่านบอกว่าเพราะปาบมิตหรือเพราะไม่ได้กัลยาณมิตรเป็นประโตโคสัจึงไปนักสือศาสนาอื่นใช่ไหมอย่างเช่นเราเนี่ยไม่ว่าเราจะจะสร้างบา ร, รมีทางการศึกษาท ร, รมรมะปฏิบัติธรรมมาอ ย, าย่างไรก็ตามแต่ถ้าชาตหน้าเราเกิดไปเกิดเมือง อาลักณ์นี่ยแบบเราก็ต้องนับถืออิสลามใช่ไหมนับถืออิสลามเลยเพราะว่าเราถูกพ่อพ่อแม่ถูกสังคมประโตูโคตรให้แกเรามาอย่างนั้นเราก็ต้องนับถือให้ตามเรื่องเราไม่ได้ประต โ, โคตรไปจักรยานนิดเราก็ไม่เปลี่ยนกันนะก็นับถือศาสดาอื่นไปเอาเขาละหมาดเราก็ละหมาดเขาหากการติรดการดีไม่ดีอาจจะเป็นเป็ น, เ, ปนเรียกว่าเป็น อิศรามีการชนที่ดีก็ได้เช่ไหมครับเพรว่าคนที่มีมโโธรรมะทั้งโูนย์เนี่ยมักจะปฏิบัติมีระเบียบมีวินัยอะไรดีนะคะแล้วเรื่องนี้จริงเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องนักถือศาสนาอื่นจริงเป็นเรื่องปรตโตโคสะเห็งเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแว่นเนี่ยแล้วว่านักถือศาสนาพูดว่านักสือศาสนาอะไรนับนถือศาสนาราก็ดูดีเทาใครมาเยี่ยมนะพ่อนเกินใครมา พ่อเชิามมาเจอเป็นปสีเทาลายมานั่นเองแต่แค่เพราะปรากว่าเรวอาจารย์ของพ่อไหวลูกตัวอาจารย์ของพ่อไหวลูกตัวดาบทที่มาจากป่าร้องไห้เลอเลยการระเทวินเนะี่ยการะเทวินดาวบทมีฤทธิ์มีวญาณมีเรวาวิชาการทางตมทั้งหลายเนี่ยทั้งปริญญาปฏิบัติอยนรู้เยอะ พอมาเจอพูดเ จ, จ้าเจ้าพะเาครับร้องไห้เลยเลยนเอาพ่อตกใจอย่ะทำไมร้องไองห้นี่เราก็คงแก็กลัวนะครับว่าทาไมจึงร้องไงองห้เมื่วไปในในผสมสมโพธิอยางจะพูดคล้ายๆพ่อจะพูดให้ลูก ไหว้พะด้วยตังใครๆว่าพ่อพูดับลูกรู้ไม่รู้ก็พูดไปไนะนั่นเองเ่ามีเด็กอ่อยๆอะไรในกระดงมันก็ไหว้พระใหลูกอะไรเนี่ยนะใครๆรู้ ก, ก็พอไหว้ไม่รู้ก็ไม่ไหว้แต่พระกลับมาไหว้ลูกซะนี่พระดาบดออย่างนี้เราถือว่าเป็นเรื่องขาดกัญญาณมิตรเป็นกระปา ร, ป ร, ปรโตโอษั์มีศาสนาไหนที่พ่อแม่หรือ คือหาได้ดีที่สุดในขณนนะนั้นก็นับถือไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ ร, อรอ้อเลียนับถือไม่ใช่ก็เห็นผิดนะพัวนับถือศาสนาเราพูดได้ว่าศาสนาเร า, รานับถือเพระเห็นผิดยกแต่ยางที่พระเจ้าสรางโลกนะเนี่ยเขาสอนมาเราก็เห็นจริงเห็นจังเห็นดีเป็น ด, ดีไปด้วยตกลงตรางโลกไปส่วนตร้งางโลกอย่างนั้นในความนับถือก็อเห็นผิดนะเอ า, เอาก็มีทั้งสองอย่างนะ ตัทธาที่เกิดด้วยอำนาจความเมิตฉุก เ, เ, ปญญเป็นปัจจัยก็มีตัทาเกิดด้วยอำนาจของปัญญาเป็นปัจจัยก็มีอเราก็เลยถามอย่างนี้พระวดีไปเสร็จแล้วกถามหที่พี่ฮะในทยที่สุดเนี่ยพกาวจีเขาสรุกนะครับสรุปว่าไม่ดึงกล่าวว่าเราโพธิสัตว์เราก็ก็ไม่ต้องกล่าวว่าอย่างนั้นด้วยเหตุผลดังที่ได้โต้แย้งมาทั้งหมดในนี้ก็รู้สึกว่า จะฟิลไม่ครบข้อความเพอความที่เป็นปัญหานั่นแหละครับดัง น, นั้นว่าเราท่านโทษท่านเกินเวลาไม่ได้ดุเราจบเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งติดตามเรื่องปีนี้นนคราวหน้าจะเริ่มเรื่องของพระพารหันก็ไม่ทราบว่าเริ่มลงมือจแจกหรือยังนะถ้ายังก็อายังไม่เป็นไรหรอกเรื่องกล้าแถวบ้านเป็นกลอาหลานได้หรือไม่แต่อาจจะรู้สึกว่าง่าย แต่ในนั้นก็ตงมีแง่มมแปลกๆวันนี้ค อ, อยยติดก็มีครับ